ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิจัยศรีปทุมกำลังนําเสนอประสูตรในมัชชิมในมัชินมนิกายมูลปัญ น, นาคข้อที่สองประสูตรที่สองคือสภาสวะสังบรรสูตรก็วันก่อนได้พูดถึง วิธีการที่จะละอาสวะได้โดยรับสั่งแสดงว่าอาสวะนั้นก็สำหรับผู้รู้ผู้เหินไม่ใช่สมหรับคนที่ไม่รู้ไม่เห็นทีนี้ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้รู้ผู้เห็น ประสงแสดงประเด็นแรกก็คือโยนิโสมัติการกับโยนิโสมัตติการแล้วก็สงแสดงในข้อต่อมาว่าด้วยการสํารวมระหวังข้อที่สามก็คือล่าได้ด้วยการใช้สอย ข้อที่สี่ก็คือล่ได้โดยาการอดกัน้นข้อที่ห้าก็ล่าได้โดยาการงดเว้นข้อที่หกละการล่ได้โดยาการบังเทาและข้อที่เจ็ดก็พึงล่ได้โดยาการอบรมซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าองค์ธรรมทั้งห้าทั้งเจ็ดประการที่ ส่งแสดงนั้นโดยเนื้อหาสาระของธรรมะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอริยมรรคพิองแปดประกาศซึ่งก็ตามหลักการของนริยสัตย์นั่นแหละคือทุกนั้นเป็นเรื่องที่ควรกาหนดรู้สมุดไทยควรละนีรินรอดควรทำให้แจ้งและมากควรเจริญ อาสวะเป็นเรื่องของสมุทยัยผลสิ่งที่จะละสมุทัยได้ก็คือมรรคธรรมาเทศนาที่ส่งแสดงในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของมรรคจานวนมากก็เรียกว่าประมาณอย่างน้อยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นเรื่องของอริยมรรคโดยวิธีการต่างๆ แต่ว่านำไปสู่จุดหมายเดียวกันก็คือการขัดเกลากิเลสการบันเทากิเลสการละกิเลสการดับกิเลสส่วนจะทรงทร ง, ทรงแสดงโดยปริยายใดนั้นเป็นเรื่องของปัวหาและเทศนาแล้วก็อนุโลมเทศนา หมายความว่ามองคนและก็มองธรรมและวางธรรมให้สอดคล้องกับคนฟังโดยอนุโลมไปตามพื้นฐานจริตอัจยาศัยวาสนาบา ร, รมีอินทรีย์เป็นต้นของบุคคลเหล่านั้นวันเครื่องมือที่ทรงใช้หลักก็คือเรื่องของทบศบลตราต ซึงเป็นคุณนิสบัติภายในพระไถยของพระองค์ซึ่งมีถึงสิบถึงสิบประการด้วยกันต่อไปจะนำท่านผู้ฟังไปฟังตัวพระพุทธนํำรัสเองที่ทรงแสดงในประเด็นแรกก็คืออสวะที่พึงลัได้เพราะการเห็น สมงอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายก็อาศว่เหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการเห็นปูตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับธรรมไม่ได้เห็นธรรมไม่ฉลาดในธรรมไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระริยะไม่เห็นสัตบุุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุุษ ไม่ได้รับแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมอันเป็นความอันควรมานสิการหรือย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนัสสิการคือไม่สามารถจาแนกแยกแยะได้ว่าอะไรควรใส่ใจหรือไม่ควรใส่ใจ อย่างที่ส่งสรุปไว้ในตอนต้นว่าการใส่ใจในเรื่องอะไรก็ตามที่กิเลสซึ่งยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะลดลาจางคลายลงไปคนนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจอะไรก็ตามที่เมื่อไม่ใส่ใจแล้ว อิเลที่ยังไม่เกิดับไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเสื่อมสลายไปอันนี้ก็ไม่ควรใส่ใจเพราะเราจึงพบคำสอนในแนวของการปิดกั้นกระแสของอิเลโดยการปิดกั้นอารมณ์ประเด็นแรกก็คือไม่รู้ไม่เห็นสเสลยเป็นการดี อย่างใกล้ๆก็ตอนที่พระนนกราบทูลถามถึงวิธีวานตัวต่อสตรีเพศสำหรับภิกษุทั้งหลายหลังจากพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปแล้วรับสั่งประเด็นแรกก็คือไม่ดูไม่เห็นเสลยเป็นการดีพระนนก็กราบทูลถามว่าถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็ต้องสารวม หมายความมันจะพูดก็ต้องสำรวมจะดูก็ต้องสำรวมจะคุยก็ต้องสำรวมจะนั่งจะอยู่จะเดินอะไรแต่อะไรต่างๆนี่ก็ต้องสำรวมระวังถึงก็มาตรงกันหลักธรรมเหล่าเนี้ดังนั้นก็รับสั่งแสดงว่าเมื่อ เขาไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการย่อมมนสิการคือใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจแล้วก็ไม่ใส่ใจถึงธรรมที่ควรใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจที่ปุตุชน ใส่ใจอยู่เป็นช่นไหนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุทุชนนั้นมนัสิการคือใส่ใจนะครับพูดมนัสิการก่อนนึกนถึงคำว่าใส่ใจก็แล้วกันเพราะว่ามนัสิการฟังแล้วก็เขาจะยากก็คือว่า การมาสวะก็ดีพภาวาสวะกวด็ดีวิชาสวะกวด็ดีที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมเจริญขึ้นเหล่านี้เป็นธรรมที่ไม่ขวดมนานสิการแต่พอดีเขาไปเกิดมนานสิการเขาคือไปใส่ใจพอใส่ใจมันก็กระตุ้นกิเลสแต่การกำหนดอารมสมมติว่าอารมณ์มากๆเนี่ย เช่นสมมติว่าเห็นรูปอย่างเดียวปฏิลักษณะอย่างนี้เราไม่ชอบความใส่ใจก็จะไม่เกิดขึ้นการมสวะภาวาสวะก็จะไม่เกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดโทสะมาได้หรืออาจจะเกิดอวิชชาก็ได้แต่สรุปว่าถ้าไม่เกิด กามสวะเล้ไม่เกิดกามกามคือความใคร่เนี่ยไม่ไปกำหนดอารมณ์หลดนั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าป่อยใจกามสวะและภาวะสวะก็ต้องลดเงื่อนลดเนี่ยอวิชาก็ต้องลดแต่อวิชา ย, ยังไม่ลดพวกนี้ก็ลดลงไปไปไม่ได้ดังนั้นปัญหาใหญ่ที่ พระเจ้าทรงสแสดงไว้ในรูปของพระวินัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องปัจเจส ĩ เอาเสนาสนะก็ได้เอาที่อยู่ที่อาศัยก็ได้สมัยพุทธกาลก็ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ป่าอยู่ป่าบ้างโคนไม้บ้างถ้าบ้างภูเขาบ้างแต่สรุปแล้วก็คืออยู่ป่าทำไมต้องอยู่ป่าละ่ะ เพราะเป็นที่หลีกเร้นตัดกระแสของอารมณ์ที่จะกระตุ้นการมาสวะภาวาสวะสด์า อ, อาวิชาสวัส์ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้แต่การคุกครีด้วยภิกษุด้วยกัน <c oughs> ก็ต้องเป็นกิจลักษณะเป็นเรื่องเดียวกัน ช่วพระนี่เดินจับมือถือแขนกันเดินกอดคอดกันพระกับพระนี่นะไม่ได้จับเนื้อต้องตัวกันก็นไม่ได้ยกเว้นในการบีบนวดครูบาอาจารย์หมายความมาตัดหนทางที่จะเกิดกามสาสวะภาวะสวะอวิชชาสวะไว้เป็นจํานวนมากเลยปริยายเหล่านี้เราจะเราจะพบในประเด็นต่อๆไป กระรับั่งว่าพิสูจน์ทั้งหลายทำที่ควรมนสิการที่ปุตชนไม่ได้สดับอยู่เป็นไ น, นเมื่อปุตชนมนุิการถึงทำเหล่าใดอยู่กรรมาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีวิถีสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ตอนนี้คือทมที่ควรมนสิการแต่เขาไม่มนุษการก็ไม่ใส่ใจหรือการไม่สนใจในธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ปิดกั้นกระแสของตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาด้วยอวิชชาธรรมะนั้นเป็นตัวสลายอาวิชชาแต่เราก็ไม่ได้เพิ่มเพิ่มเชื้อของวิชาขึ้น เพนโอกาสที่จะไปลดความเข้มข้นของอวิชามันก็ลดไม่ได้มันกับเหมือนกับเราอยู่ในท่ากลางความมืดแต่ว่าเราก็ไม่ได้จุดแสงสว่างขึ้นโอกาสที่จะบรรเทาความมืดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้น รับสั่งว่าเหล่านี้คือทรรมที่ควรมนาสิการซึ่งเขาไม่มนาสิการอยู่เพรา ะ, ะ น, นาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็อย่าเกิดแต่เกิดแล้วก็จเจริญแก่ปุถุชนนั้นอันนี้ก็คือปัญหาหลุมโลกแต่เราลองสังเกตว่าโลกมันเป็นอย่างนี้หมดอะแม้แต่ระบบ ก, การศึกษาเวลานี้อัตมาเอง ก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหรราวิทยาลัยอยู่สองชั้นคือญาติโยมไปเรียนเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าพระที่ไปเรียนเราก็รู้สึกพิเศษแต่ที่เรากลัวมากก็คือ เวลานี้พระไปเรียนมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยเรียกว่าเกือบทุบมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ท่านเหล่านั้นแม้ที่ที่วัดเองเนี่ยก็ทราบว่ามีส่วนใหญ่ก็เรียนที่รามวิชาความรู้เหล่านั้นมันกระตุน้นกามาสวะภวสวะวิชาสวาด้วยกัน ปัญหาสำคัญว่าเมื่อน้ำหนักมันเทลงไปในด้านอารมณ์โลกแล้วก็สะสมอารมณ์โลกอยู่เรื่อยๆต่อไปท่านเหล่านี้จะเหลือเป็นาศาสนาทายาทอยู่สักกี่รูปเราก็ไม่รู้หรอกแต่แน่นอนว่าในแง่ของความเป็นคนก็เป็นสิทธิในการสวยงาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แต่เวาลาการค้ำยันจิตใจนั้นต้องมีถ้าหากว่าเราขาดหลักการในการค้ำยันจิตล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีเป็นอันมากที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเขา อ, อาจจะเรียนจบอะไรก็ตามล้วก็เป็นเรื่องของเขา มีวันก่อนได้ฟังรายการวิทยุก็เป็นพระฤาคารวาดไม่ทราบและพูดถึงว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใหญ่แห่งหนึ่งบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่แหละแต่ว่าเรียกพระพุทธเจ้าโดยพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นเรื่องน่าคิดนะครับ หมายความว่าในแวดวงของชาวพุทธไม่มีใครกล้าเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าหลังจากศัรสรุแล้วเราเรียนพุทธประวัติในช่วงที่ยังไม่สัจสรู้ก็อาจจะเรียกว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะรราชกุมารสิท ธ, ธัตถะเพราะตอนนั้นก็เป็นพระนามจริงๆของพระองค์ แต่พอหลังจากศัตรูแล้วเราจะเรียกพระ ส, ache, สม等等ัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าในด้านวินัยก็จะเรียกว่าพระผ等等ู้มีพระภาคในด้านธรรมะในด้านพระสูตรก็จะเรียกว่าพระ ส, สม等等ัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาพระาศาสดาตั้ปกติก็จะเรียกลับหลัง พระผู้มีประภาคพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะส่วนมากสัมมาสัมพุท ธ, ธะกับพระผู้มีประภาคเนี่ยจะเรียกต่อพระพักทั้งหมดเป็นในมิตรกนามเป็นพระนามหลังจากโรงได้จสด็จแล้ว การเรียกด้วยความเคารพอย่างนี้มันก็เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะไปเรียกพระนามนี้ไม่ได้ก็เรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รู้กันแล้วว่าในประเทศไทยมีพระองค์เดียวแต่นเดนไม่ต้องไปใส่พระนามเดิมของโปรแต่ว่าเป็นการถ้าเรียบเรียงประวัติศาสตร์เรียบเรียงหนังสือ ราชการต่างๆก็ต้องใส่พระนามเต็มพระมัากษัตริย์ในอดีตก็ต้องใส่พระนามเพื่อจะได้รู้ว่าในรัชการของพระมหากษัตร์พระองค์ใดแต่ถ้ายังทรงพระชนม์อยู่เนี่ยเขาก็จะไม่เรียกโดยพระนามามาเคยตามเสด็จสมเด็จประสังคราช ไปห้าจังหวัดภาคใต้ตอนเป็นสังกราชใหม่ๆต่นก็ตามปกติอามาไม่ได้อยู่ในทีมหรือขาอะไรตัดหรอกแต่ท่านบอกว่าท่านจะคุณตรงไปด้วยไปช่วยกัดก็ไปตอนนั้นยังเป็นโสพนขคณวพอรอยู่ก็ปรากฏว่า เวลาไปก็ปจริงๆเวลาส่งประธานพระโอาวาทในที่ใดก็ตามจะรับสั่งไปเพียงสามสิบนาทีเท่านั้นนี่แต่เสร็จแล้วก็รับสั่งว่าให้ตระกุลโสพลพูดต่ อ, อไปเวลเราไม่รู้หัวรู้หางอะไรเพราะงั้นการฟังแต่ละคราวนี่ต้องตั้งสติมากคือไม่รู้ว่าพระองค์จะหยุดตรงไหนแล้วเราจะต่ออย่างไร มันก็ดีเหมือนกันนะกับต่อได้ทุกแห่งเพราะว่าเราตั้งใจฝังกาหนดข้อความพิจารณาข้อความไปเรื่อยๆอยู่ตรงไหนเราก็ต่อจากตรงนั้นไปแต่ที่น่าสังเกตก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งห้าจังหวัดเนี้ เรียกขอประธานกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช์สกวลหมาสังเกเป็นนายก เ, ยเหมือนกับทุกแห่งเนี่ยแต่นี้ในในสุขศึษาเหล่านั้นที่ไปเรียนจากอาจารย์ข้างนอกเนี่ยมันจะมีความบกพร่องในความรู้ด้านศาสนาก็แน่นอนเลยระดับศีลธรรมจัญญานั้นท้านัาจะอยู่ได้ดี แต่ว่าในเรื่องดืง้อนี่โลกทัศชีวทัศทัศนาคติกันมององค์กรศาสนาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือการหลักขัดขัดหลักโยนิสโสมนัสการการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยอุบายวิธีที่แยบคายดยการตัดสินใจ หรือไปใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจเพราะว่าใส่ใจไปแล้วอสะวะที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นทีนี้การใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจเราอย่าลืมว่ามันทวนกระแสะกิเลสก็ไม่ใช่ทวนง่ายๆนะฮะกระทวนกระแสะกิเลสแต่ละข้อแต่ละขณะไม่ว่าจะเป็น โลภะโทสะราคะโมหะแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่จิตใจไม่แกร่งพอปัญญาไม่มีมากพอเนี่ยโอกาสที่จะตกเป็นเยื่อของอารมณ์เหล่านั้นมีได้ง่ายอันนี้ก็คือประเด็นที่น่าสังเกตก็หลักเยียกโยนิโสมนสิการหรือไม่อะโยนิโสมนสิการไงละ่ะ และการต่อไปก็รับสั่งว่าเพราะการไม่มนสิการทำที่ควรมนสิการปุตโนนั้นใส่ใจอยู่โดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าเราได้มีแล้วในอดีตกาอันยาวนานหรือหนอแล้วเกความสงสัย เป็นการสงสัยในอดีตเพราะอะไรเพราะข้อมูลด้านบวกที่จะเพิ่มปัญญาเนี่ยมันลดมันไม่เพิ่มพอไม่เพิ่มเนี่ยความไม่รู้มันก็สูงขึ้นแล้วความรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้เนี่ยคือกิเลสมันมันมันมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันไอ้ฝ่ายความรู้เนี่ยมันลดลง ก็จะสงสัยในเรื่องชีวิตที่เป็นอดีตอดีตกล่าวโดยสรุปนะทรงแสดงปิดสถานว่าในอดีตเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอย่างไรมีสุขมีทุกข์เป็นอย่างไงก็กลายเป็นเรื่อง ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงระหว่างกรรมกับชีวิตปัจุบันได้แลวในสุดก็กลายเป็นความไม่เชื่อในเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัตกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยทีนี้พอไม่เชื่อเรื่องกฎของกรรมสังสารวัตอย่างหยาบๆนะะอย่างศีลธรรมจัรญาเนะี่ยแล้วก็จะไม่เชื่อเรื่องบปบุญขุดทษ ปัาศีลธรรมจะตามมาเป็นนั้นมากก็แน่นอนเฉพาะปฏจจัยกระชนแต่ทีนี้ถ้าน้ําหนักไปอยู่ตรงนี้มากคนมันก็เทไปตรงนั้นมากปัญาศีลธรรมก็จะติดตามมาในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเราจะพบว่าเราจะเริญเติบโตมาในท่ามกลางแสงสีชีพปรุงแต่ง ตามกระแสของโลกาภิวัตและในที่สุดเนี่ยเมือ่อเมื่อปัญญาที่ควรใช้เราไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าน้ำหนักมันไปเพาะเชื้ออยู่ที่เรื่องไม่ควรใส่ใจไอ้จิตมันก็ได้เชือ้อพวกอาสวะเพิ่มขึ้นเกก็เกิดเกิดเกิดความสงสัยขึ้นในปัจจุบัน ทีนี้พอสงสัยในปัจจุบันไม่ใช่สงสัยในอดีตพอสงสัยในอดีตมันก็กลายเป็นสงสัยในอนาคตอาจจะสงสัยในปัจจุบันก่อนก็ได้อนาคตก่อนก็ได้ที่เราปัจจุบันเราเป็นใครเรามาจากไหนต่อไปเราจะเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปเราจะเป็นยังไงนี่เป็นเราหรือเปล่า สงสัยในอนาคตว่าตายไปแล้วเราจะเกิดอีกไหมหรือว่าไม่เกิดถ้าเกิดจะเกิดเป็นยังไงจะเกิดที่ไหนมีสุขมีทุกข์ยังไงมันก็ว่าไปเรื่อยๆเลยพระพุทธดำรัสที่รับสั่งทรงใช้คำว่าความสงสัยเหล่านี้ประรบการปัจจุบันอันยาวนาน ในการบัดนี้มีความสงสัยเกิดขึ้นภายในว่าเรามีอยู่หรือเราไม่มีอยู่หรือเราเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาแต่ไหนและมันจะไปไหนนี่ก็คือสงสารในเกิดเกิดสงสัยในปัจจุบันเลยมันก็เป็นการสงสัยเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันซึ่งไม่เป็นกฎ เป็นกฎของสังสารวาัฏเป็นกฎของธรรมชาติแต่ละวินาชีเนี่ยมันเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันในหกสิบวินาทีเนี่ยทีที่เราแบ่งทสามสิบฝ่ายละสามสิบสาสิบนาฬิกาที่ผ่านไปหนึ่งวินาทีแรกเ๋อสามสิบวินาทีเนี่ยมันก็เป็นอาอดีต วินาทีที่เรากําลังสัมผัสอยู่เป็นปัจจุบันอีกสามสิบสี่สิบวินาทีข้างหน้าเป็นอนาคตมันก็เป็นดูอย่างนั้นแล้วมันก็ยืดเป็นสังสารวัติยาวนานเป็นเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันพอเราเกิดสงสัยเพราะขาดมนุษยการโดยอุบายที่แย่คายทิฏฐิสองประการเนี่ยมันจะเกิดขึ้น จะอะไรอย่างหนึ่งอ่าเช่นโดยทิศทิศทโดยจริงโดยแท้ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นว่าอัตตาของเรามีอยู่หรือว่าอัตตาเราไม่มีอยู่สองอย่างสองอย่างนี้ก็ยุ่งตายแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาหาข้อยุติไม่ได้ ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ตุโนนั้นว่าอัตตาของเรามีอยู่หรือว่าอัตตาเราไม่มีอยู่หรือว่าเขาย่อมรู้อัตตาด้วยอัตตาหรือว่าย่อมหมายรู้สภาพไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตาตัว อ, อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนยว่าในพวกสักกายะทิชฌ์ที่เอาขันห้าเป็นเกณฑ์ในการมอง ก็ฟังแล้วก็ปวดหัวนะตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปหรือรูปมีในตนนี่เป็นความสงสัยแล้วก็ในสุดก็กลายเป็นความยึดติดแต่อธิบายไม่ได้มันก็กลายเป็นสักาสกายะทิฏฐิพอสักกายะทิฏฐิเราจะเห็นว่าพระโสดาบันเนธละได้ แต่การที่ท่านละได้เนี่ยท่านละวิจิการฉาได้ด้วยทละวิจิการฉาคือความ ค, ค, ครือบเครือบแข็งสงสัยได้ด้วยเพราะท่านละวิจิการฉาได้เนี่ยการถือมั่นด้วยศีลวัดต่างๆท่านก็ละได้ท่านก็สว่างไปก็เรียกว่าก็ยี่ส้าเอร์็นก็คิดว่าอีสบห้าปอร์เซ็นก็แล้วกันแต่ทีนี้ ทุชนถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่โอกาสมันจะวนอยู่ในตรงนี้อย่าที่ทรงแสดงทิฏฐิสิบสองที่นำมาเล่าในพรมชาลสัสสุหรือว่าทิฏฐิสิบหรืออันตรกายกบทิฏฐิสิบถ้าฟังลอาสังเกตว่ามันจะยึดโยงอยู่โดยคำลเนี่ยโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง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 ในชีวิตประจําวันนั้นไม่ได้ใช้หลักของโยในสูรมันคืการการใช้อบายวิธีที่แยบขายแล้วก็สารที่ตัวเองได้รับเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นพวกอาสวะกรรมาสวะภาวะอาสวะ ว, วิชาสวะไม่ใช่ไปเพิ่มเชื่อไปเพิ่มเชื่อของอาสวะก็ให้มีกํำลังมากในที่สุดน้ําหนักภายใ น, ในใจเราเนี่ย ปัญญามีปริมาณน้อยกว่าอาวิชชาดองการใช้ผลสติปัญญาของคนที่มีปัญญาน้อยเนี่ยปูดยากนะที่เราพูดกันไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าระดับพุท ธ, ธิภาวะหรือปัญญาเนี่ยไม่ใกล้เคียงกันสื่อสารกันไม่ได้อธิบายยังไงเขาก็ไม่ยอมเข้าใจ อันี้พอซือออกไปอย่างนั้นมันก็ถือต่อไปว่าเราหมายรู้สภาพไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตาหรือว่าเราย่อหมายรู้อัตตาด้วยสภาพไม่ใช่อนัตตาก็สงสัยกันไปสงสัยกันมากลับไปกลับมาต้องลงว่าไม่รู้เป็นอัตตาหรืออนัตตาไม่แน่ใจทั้งสองอย่างที่เราอยู่ตรงนี้มันยุดจะอยู่เยอะ แม้แต่พวกชาวพุทธเราเองที่พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับเวลานี้เองเราก็ยังไม่แน่ใจกันจำนวนไม่ใช่น้อยแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่ใช่หลักอยู่ใโสม น, นิยการเช่นว่าการมองในแนวพระพุทธเจ้าเป็นนาตาทาวนอนยาแนวที่มาอ า, านก็เชื่อเนี่ย พระพุทธเจ้าเวลาเนี้ยสักยมุนีหรือเขาเรียกอะไรภาษาจีนเขาก็เรียกอะไรไมราทุกก็ยังดํารงอยู่ในสวงสวรรค์ชั่วนิรันดร์ซึ่งก็เป็นความเชื่อแบบเดียวกับคิดพระเจ้าก็อยู่ในสวงสวรรค์ชั่วนิรันดร์เหมือนกับอิสลามเหมือนกับศาสนาเทวนิยมทั้งหลาย ห็นอแม้แต่คนเราจำนวนมากในบ้านเรานี่แหละที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่อาญตนะนิพพานพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมกายอันยิ่งใหญ่สถิตยอยู่ที่อาญตนะในฐานชั่วนิรันดรอนนีกแหละแล้วพอคิดแล้วมันเริ่มอยากไม่มีเอิดปรดมากขึ้น ก็มีการทำพิธีนำอาหารทิพ อ, อาหารไทยเนี่ยนะไปถวายพระพุทธเจ้าโดยตลกกันใหญ่เลยลดสถานะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับผีสางนางไม้ทั้งหลายนี่มีการเส้นสวงโดยอาหารอะไรต่างๆแต่ตามความเชื่อนะฮะนี่คืออะไรคือเรา เราไม่มั่นใจในคำว่านิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าไม่มีชาติไม่มีพบหลังจากเข้าสู่สัพปาธิเศ ส, สนิพพานเพราะในระบบระบบจริงๆเนี่ยมันถูกทำลายไปโดยเรามองไม่ตลอดสายเพราะอะไรเพราะขาดโยนิสูรบริการ พอถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นปัญหาเลยตามมาเยอะเลยข้อต่อไปก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งชิดชีย่บเกิดมีแก่ปุถุชนนั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้เป็นผู้บงการเรานี้นั้นเป็นของแน่นอนยั่งยืนเชี่ยงแท้อะรสิอัตตาเชียงแล้ เกิดตาเชียงแล้วปอเที่ยงมันก็ไปขาดหลักของ อ, น, งอนิจจังอนิจจตาตือความไปเที่ยงเห็นไหมมันออกห่างออกห่างคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมไปเรื่อยๆตัวสาเหตุอยู่ที่ไหนล่ะตัวสาเหตุอยู่ที่สัมผัสอารมณ์แล้วขาดหลักของโยนโโสมรติกาแต่เธอมองแบบโยนิโสมรติกา ลักษณะเหล่านี้มันก็คล้ายๆกับที่เราเราฟังข้อมูลข่าวสารอยู่ในปัจจุบันถามว่าคนได้มีเคราะห์วิจัยข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใดมีจำนวนน้อยเท่านั้นที่ใส่ใจในข้อความก็มาจะรู้ว่าดูว่าใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไร แต่ไม่เคยถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรไหมถ้าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วดูมันทำไมเพราะฉะนั้นมันต้องหาประโยชน์ในสิ่งที่แม้จะโดยทั่วไปคนเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ดูดูง่ายๆวันนี้อย่างอย่างพวกเอ่อทีวีในปัจจุบันช่องสามห้าเจ็ดเก้าอะไรต่างได้ ก็มักจะเล่นเน้นไปที่เน้นไปที่ละครและเบ่งละครตัางๆงคือถ้าจะดูเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วก็หาประโยชน์ให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความคิดของคนประพันธ์เรื่องก็ดีไม่ค่อยลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่หรอกมุ่งจะตอบสนองอารมณ์คือคนไม่ค่อยได้คิดอะ แล้วก็มีหัวเราะมีสะใจมีตบตีชกต่อยจับไปเนี่ยฆ่าไทยแยกมรดกกันผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแย่งผู้หญิงผู้หญิงแย่งผู้ชายะอะไรแต่อะไรย่างเงี้ยมันก็เป็นอารมณ์โลกอ่ะเป็นอารมณ์โลกเราก็ซึมซับอารมณ์โรนี้เอาไว้พอในที่สุดระบบของเหตุผลสติปัญญามันก็ไม่เกิดอ่ะ สมมติว่าละครก็ฉายอยู่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นเป็นความสูญเปล่าที่เราไม่ได้ระบบอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้เพิ่มพูนทักษะสติปัญญาเพราะตามปกติแล้วอารมณ์ที่นำสื่อต่างๆก็เป็นความคิด ที่เอาประชาชนผู้บริโภคเป็นตลาด เ, าเรียกว่าดูตลาดมีการศึกษามีการวิเคราะห์จิตใจนะรตลาดทั้งหลายแล้วตลาดต้องการยังไงก็ตอบสนองอย่างนั้นเรเรียกว่าเป็นละคร น, นำหน้าทั้งหลายเป็นแม่ค้าว่าทำให้แม่ค้าดูที่นี้ แต่ข้อต่อไปรับสังว่าจากนั้นก็จะเกิดกันดารคือชิฏฐิทิฏฐิเป็นกันดารนนะหมายความว่าถ้ารติกเข้าไปในทิฐิเนี่ยไม่รู้จะว่ายัางไงลองนึกดูว่าการเกิดขึ้นของรัฐที่คอมมิวนิสต์เป็นทิฏฐิ เป็นทิฏฐิี่ปักดิ่งลงไปมากอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องพูดกากันไม่รู้เรื่องเนี่ยครอบครัวเดียวกันก็พูดเกิดไม่รู้เรื่องเพราะข้อมูลที่ต่างฝ่ายต่างรับมานั้นไม่เหมือนกันควเดึงใช้หลักคิดคนหนึ่งใช้หลักเชื่อเพราะนเชื่อของพระพุทธศาสนาจึงไม่เชื่อแบบนั้น ไม่เชื่อแบบรับฟังอย่างที่เขาเสนอไม่ใช่พอได้เห็นโฆษณาอะไรแล้วก็โทรศพรัพท์สั่งเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่สังคมกับเบรเนี่ยกำลังถูกชี้นำอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นคนจะยอมจำนนกับสื่อแล้วก็เชื่อเหมือก็เป็นศาสดราทำทางที่ผู้นักข่าวอะไรต่างๆก็เด็กๆกันนะ แกก็อ่านตามที่คนเขียนก็เขียนมาจะรู้เธอเข้าใจได้ลึกซึ้งอะไรมากน้อยแค่ไหนเปยงไรก็มาหลักฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องนั้นๆ น, น, น่ะไม่ได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกทิฏฐิหลายข้อกอนแรกก็คือกันต า, าดะทิฏฐิเสียนนามคือทิฏฐิ ความดิ้นรนคือชิดจิตมันก็แล้วแต่เทปไปไหนจะาในการานับถือสิ่งต่างๆหรือว่าเอาในสมัยพุทธกาลไปได้ไกลหน่อยในสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าการที่มีคณาจารย์เจ้ารัชที่ถึงหกเจ็ดท่านด้วยกันสมัยเดียวกันนะฮะเกิดถึงหกเจดท่านด้วยกัน อยู่ร่วมกันในยุคเดียวกันช่วงหนึ่งผมเจ็บท่านด้วยกันต่างคนต่างก็สามารถดูดสาวกเข้าไปได้่างท่านที่บางคนความเชื่อนี้ไม่ได้เรื่องเลยอย่ายกตัวอย่างปรกุทธากัจจยนะหรือมัคคลิโขสารหรือว่าสัญชัยวิรัตบุตรไมไ่เป็นเรื่องเลย แต่ว่าก็ดึงคนเข้าไปได้อย่างเวลนี้เราก็มีอะไรหนังสือเนี่ยออกมาบ่อยหลายปีอะประตูวิกิตธรรมชาติแนะนำยาบ้างแนะนำอะไรมาบ้างวันกอ่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใส่แฟ้มเสนอมาก็ไม่อ่านหรอกไปดูหน่อยไปดูชื่อข้างล่างไปรู้แล้ว แล้วคูมคูเก็มาด้วยนะะต้องคัดลอกไปแจกเท่านั้นเท่านี้ไม่งั้นจะเกิดอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้คนบางพู้ก็ทําแจกเพราะเราเห็นเป็นรูปของสีหลอกก็แสดงว่าก็สีหลอกกันมากี่ทอดแล้วก็ไม่รู้นี้มันเกิดอะไรมันเกิดความดิ้นรนดิ้นรนด้วยอํานาจของชิดชิดแล้วก็ หาทางออกตามที่เขาบอกอ่ะคือก็คัดลอกแจกต่อไปเวลาเนี้ยก็ดีหน่อยก็มีดีรลอกอยู่ก็ไม่ต้องนั่งคัดลอกแต่อย่าลืมว่าเราก็คือเหยื่อตกเป็นเหยื่อของเอกสารก็ไร้าสาระนะฮะว่าพระครูวิจิตธรมรมโชติคนนี้ถ้ามีจริงๆ มันก็นานแล้วเนาะน่าจะตายไปได้แล้วแต่ยังไม่ตายสักทีหนึ่งฮนะใช้ชื่อนี้มาตลอดนี่คือปัญหาที่พอเราประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ไหนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์บททิฏฐิสังโยชน์มันก็ไปเางที่ว่าเนี่ย เราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเราเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนาก็ว่ากันก็ติดตรงขั้งเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ปิดกั้นกระแสที่จะทําลายอาวิชชาเพราะว่าไปเพิ่มทั้งกรรมมาสวะภาวะสวะวิชาสวะก็หมุนวน้าสู่ รับสั่งว่าย่อมไม่พ้นจากชาติรามรโรนโสกะปริเทวทุกโทมนัตอุปายาตซึ่งเป็นทุกเนี่ยและในสุดก็ทรงสรุปว่าย่อมไม่พ้นจากทุกนี่คือโทษจากการมนัสสิการคือใส่ใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจแล้วไม่ใส่ใจในเรื่องที่ควรใส่ใจ ประเด็นสำคัญเคืออะไรคือเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมาจากพระริยะหรือสัตว์บุรุษเพราะเขาไม่ได้เคยฟังไม่เคยสดับไม่เคยคุ้นเคยไม่เคยรู้จักกับสัตว์บุรุษทั้งหลายกับพระอริยะทั้งหลายผู้ชี้ทางที่ถูกต้องไม่มีแล้วไปเจอผู้ชี้ทางที่ไม่ถูกต้องพอดีเชื่อง่ายเลย เลวก็เข้ารกเข้าพงกันไปใหญ่มันเป็นการสะท้อนภาพในปัจจุบันของเราให้เห็นไม่ใช่ทุกคนนะหมายความว่าในส่วนของปัจเจกชนว่ายังบุนวนอยู่ในตรงนี้คือเชื่อง่ายแล้วก็ตัดสินตามที่สื่อมันบอกที่รับมาทางตาหูจมูลลลงกายใจอตัดสินตามนั้น เราก็บักใจฟังใจไปอย่างนั้นนี่ก็เพราะขาดการใช้อยู่ในโสบนตทิการแต่ไปใช้อโยนิโสบนรทิการท่านฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี